แต่มันไม่พออยู่แค่นี้นะมันยังเป็นปัใจจัยให้จิตตรชูปสามัญเกิดขึ้นจิตเจตสิกนี่ทำให้เกิดพร้อมกันก็จริงแต่มันทำให้หายใจได้ไหมจิตตรชูปสามัญเช่นหายใจเข้าหายใจออกเป็นตน้นที่คืออยู่ในการเกิดขึ้นซึ่งมีจิตเป็นปัใจจัยใน สรีริร่างกายของเราทั้งหมดชีพประจรเต้นพวกนี้ก็เป็นมีจิตเป็นปัจจัยมีจิตเป็นสมุทฐานทีจริงถ้าในปริเชตต้นๆเขาใช้คำว่าสมุทฐานไอปริเชตสูงนี่กับเรื่องเดียวกันนั่นแหละเปลี่ยนชื่อมาเป็นปัจัจซะอัไรแหลโทสะก็เหมือนกันทำให้เกิดจิตตชรูปสามันถ้าโลภะเนี่ยนะหัวเราะได้ไหม โลผ้ากับการหัวเราะเนี่ยเกิดพร้อมกันนะโลปั๊บหัวเราะเลยถ้าคมีใครพูดให้ขำก็หัวเราะทันทีเลยเพราะฉะนั้นโลผ้านเนี่ยทําให้เกิดการหัวเราะคนร้องไห้ว่าโลผ้านี่ไหมไม่มีถ้าร้องไห้ก็ต้องฝั่งนี้ทันทีผมขออยากขอท่านเรียงไปตามนี้เถอะครับหนึ่งสองสา๋อคือที่จริง ที่จริงเขาจะมาตั้งใจว่าวันนี้จะมาแค่แบ่งกลุ่มอย่างเดียวแล้วครับออือวันต่อๆไปจะเราค่อยๆซอยเป็นหมวดหมู่อีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเรียนเป็นเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเนี่ยคิดว่าอีกสองปีก็อาจจะไม่จบแต่กําลังจะเรียนแบบคลุมคมก่อนเพื่อที่จะแยกอะไรที่มันคล้ายๆกันก็พูดสัทีเดียวเลยนั่นแหละนี่หมดครับนั่นอันนี้นี่ยกตัวอย่างนะว่าลักษณะแบบนี้ก็เกิน ยังเกิดถือว่าเกิดพร้อมกันเช่นโลผ้าทาให้เกิดการพูดนะโลผ้าทาให้พูดได้เขาบอกว่าคนโลนีพูดมากเพางั้นโลผ้าจิตเกิดเนี่ยทําให้พูดมากและยังไม่พอโลผ้าเกิดนะยังทําให้เกิดการยืนเดินนั่งนอนก็ได้ทําอิริยาบถเล็กๆน้อยๆขยับมือขยับแขนกระพริบตาอ้าปาก ทำไม้หมดเลยกระดิกนี้อย่างไรเลยเนาะนั่นแหละแล้วก็ว่าเขาเกิดพร้อมกันเลยใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เรียกว่าจิตตชัรูปใช่ไหมครับเจริญพรรูปที่เกิดจากจิตอันนี้ใช่ไหมครับเจริญพรจิตอันนี้เกิดอันนี้เขาเกิดพร้อมปุ๊บเลยก็พร้อมกันจึงชื่อว่าสหชาติจึงกลุ่มสาชาตะเจริญอรลักษณะนี้เรียกว่าสหชาตะแม้แต่ในเรื่องของสหชาตะนั้น ตอนที่เราจะเจาะในรายละเอียดนี้เราควรแบ่งกลุ่มก่อนเพื่อสะดวกต่อการการจำและอย่างหนึ่งก็จะกำหนดง่ายแล้วอยากให้โยมเอาไปคิดได้เองได้ด้วยท่านจึงแบ่งสหาชาตะชาติทั้ง15ปัจจัยนั้นออกเป็น3กลุ่ม 3กลุ่มคือสามกลุ่มนะสหาชาตะชาติสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ามหาสหาชาตะหรือสหาชาติสหา ช, าาชาติชาติใหญ่มีอยู่สปัจจัยด้วยกัน แล้วต่อไปนะสหาชาตชาติกลางมีอยู่สี่ปัจจัยด้วยกันเหมือนในเอกสารนั่นแหละสหาชาตชาติเล็กมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดปนะัจจัยนะจำจำจำชื่อกลุ่มก่อนทีนี้ในสหาชาตชาติใหญ่สี่ปัจจัยนั้นคือ หนึ่งสหาชาตะปัจจัยสองสหาชาตินะสหชาตนิสยะปัจจัยสาัอิปัจจัย 4. อวิคตะปัจจัยจำง่ายก็คือสหชาตะนิสยะสอธิอวิตตคาา ต, ะ น, ะ ต, ะตนะนี่กลุ่หนึ่ง เล็กจำจำกลุ่มก่อนกลุ่มที่หนึ่งหมายถึงว่าที่ใช้คําว่าใหญ่เพราะที่ใดมีปัจจัยทั้งสิบสิบห้าปัจจัยเนี่ยนะในสิบห้าปัจจัยเนี่ยพูดถึงปัจจัยใดก็ตามสีนี้ต้องไปด้วยต้องมีสีเนี่ยยืนพื้นเลยพูดถึงปัจจัยกลางกลุ่มไม่กลางก็ต้องมีสีนี้เข้าด้วยพูดถึงกลุ่มล็ก ไอ้สี่ปัจจัยนี่ต้องเข้าด้วย เ, เขาจึงเรียกว่าสหาชาตะชาติใหญ่เพราะมันเข้ากับกลางและเล็กได้ทีนี้สหชาตชาสหชาตะช า, า, ชาติกลางสี่ปัจจัยคืออัญญมัญญสัมปยุทธวิบากและก็วิทยุยตั ป, ปัจจัย น, นะนสี่ปัจจัยนี้ถ้าหากว่าผู้ที่สร้างพื้นฐานเพื่อที่จะเรียนวิชาสูงสูงต่อไปอีกก็จะสังเกตเป็นตัวค้นหาขัตนาปัจจัยสงเคราะห์ในชั้นสูงๆต่อไปนั้นอัญญามัญญสัมปยุตตาวิตาตะวิบากและและอะไรนะวิปยุตตาปัจจัยสี่ปัจจัยนี้เป็นตัวที่ค่อยๆ ทำให้เราเรียนรู้ธรรมะว่าอะไรเข้ากันได้อะไรเข้ากันไม่ได้อะไรเป็นเข้ากันสนิทเข้ากันไม่สนิทสหาชาตชาตชาติแบบเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันหรือสหาชาตชาตชาติแบบแค่เกิดพร้อมกันแต่ดับหลังกันหรือเข้ากันแบบวิปยุทธ์อะไรเงี้ยนะพวกกลุ่มเนียเป็นตัวเป็นตัวหาและก็สุดท้ายอีกกลุ่มสหาชาตชาตชาติเล็กเนี่ยมีชื่อคาถาจาง่ายๆไม่ยาก เหตุิตังหาอินชามักเจ็ดคำเท่านั้นเองนั่นแหละเหเท่ากับเหตุตุปใจตังเท่ากับกรมมะปใจเทเท่ากับอธิปฏิปปัจจใจหาเท่ากับอาหารตุปใจ ปิณเท่ากับปิณริยะปัจจัยแล้วก็ชาเท่ากับชานะปัจจัยแล้วก็สุดท้ายมัคคปัจจัยนะให้เรารู้จักจำเนกกลุ่มเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปั๊บนะแล้วเราจะเรียนเรื่องของสหาชาติชาตชาติไม่ไม่ยากเกินโกินไป าการเรียนเรื่องปัจจัยนั้นเราจะต้องรู้จักอีกในยัยหนึ่งก็คือที่จริงแล้วสังขารธรรมนะับแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือนามกับรูปเท่านั้นเองเพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้อย่างนี้เราจึงมาตั้งว่าหนึ่งนามเป็นปัจจัยแก่นามสองนามเป็นปัจจัยแก่รูปสามนามเป็นปัจจัยแก่นามกับ รูปสบายดีซรูปเป็นปัจจัยแก่แก่นา ม, มเสร็จแล้วตายนะรูปเป็นปัจจัยแก่แก่รูปนะลักษณะของสหาชาตะชาติเนี่ยนะมีอยู่แค่นี้เลง ก็คือหนึ่งนามเป็นปัจจัยแก่นามเมื่อกี้กล่าวถึงจิตเจตสิกเป็นปจัจ จ, ปปป จ, ปปปจัยแก่จิตเจตสิกอ่ะประทานนามเป็นปัจจัยแก่รูปนามเป็นปัจจัยแก่จิตแตชรูปก็ทีจริงที่ที่เรามาพูดอยู่ทั้งหมดนี่แหละนามเป็นปัจจัยแก่รูปไหมจิตเป็นปัจจัยให้เกิดคําพูดออกไปหรือ ที่ยอมผู้การยืนเนี่ยนะก็นามเป็นปัจจัยแก่รูปถ้าจิตที่เกิดขึ้นไม่ทำให้เกิดการยืนเนี่ยจะไม่ยืนเลยเพราะฉะนั้นนามจึงเป็นปัจจัยแก่รูปแต่ทีนี้ต่อไปนะเขาถามนามเป็นปัจจัยแก่ทั้งนามและรูปก็คือคืออะไรก็จิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกเป็นปัจจัยแก่รูปที่ทำให้เกิดการยืนอย่างเงี้ย ถ้าเอาเอเรียบทนะนี่นี่พูดแบบคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจะขยายละเอียดอีกครั้งหนึ่งถ้ารูปเป็นปัจจัยแก่น้ำตรงนี้เนี่ยท่านกล่าวถึงในปฏิสนธิการในปฏิสนธิการเลยว่าหากทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตด้วยสหาชาตปัจจัยอย่างเงี้ยถ้ารูปเป็นปัจจัยแก่รูป มหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปและเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปอ่นนี่นี่ลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะนี้เรียกว่ารูปเป็นปัจจัยแก่รูปนี้พูดแบบรวมๆเลยทั้งสิบห้าปัจจัยนี้มีอยู่ห้าลักษณะด้วยกันไม่เกินนี่ติดตามอ่า นามที่เป็นปัจจัยแก่นามก็คือเอาง่ายๆนะจิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกะนะข้อหนึ่งนะจิต เจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกอย่างนี้เรียกว่าสหาชาตปัจจัยหรือตั้งตั้งอย่างนี้ก็ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามขันธสี่เวทนาเป็นปัจจัย สัญญาสังขารวิญญาณเป็นปัจจยุปันหรือเป็นผลสัญญาเป็นเหตุเวทนาสังขารวิญญาณเป็นผลทั้งๆ ท, ท, ที่พร้อมกันนั่นแหละแต่ว่ายกมาแสดงอีกแง่มุมหนึ่งะนะอย่างเช่นวิญญาณเป็นเหตุเวทนาสัญญาสังขารเป็นผลนั่นแหละเนี่ยเนลักษณะของข้อหนึ่งนะ จะเป็นลักษณะนี้นามเป็นปัจจัยแก่นามแต่ต้องเป็นนามในดวงเดียวกันเท่านั้นในขณะเดียวกันดวงเดียวกันเน่ะจึงเรียกว่าสหาชาตปัจจัยนี่คือข้อหนึ่งปัจจัยให้แก่นาม <c oughs> หรือเอาเอกในหนึ่งก็ได้สมมติว่าเจตสิกเจ็ดวงใช่ไหมผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตานะ ถ้าภาษะเป็นปัจจัยไอเจตสิกหกดวงที่เหลือเป็นปัจจยุบันหรือเป็นผลถ้ายกเวทนาเจตสิกเป็นปัจจัยเจตสิกที่เหลือเป็นปัจจยุบันเป็นผลถ้ายกสัญญาเป็นเหตุอะไรเป็นผลจิตเจตสิกที่เหลือก็เป็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่านามเป็นปัจจัยแก่นามทั้งทั้งที่พร้อมกัน แต่พระองค์เอามาแยกแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละอย่างก็มีความสําคัญนะมีความสําคัญต่อกันมากเลยลักษณะแบบนี้เนี่ยบางอย่างจนถึงกับว่ายางใดอย่างหนึ่งถ้าแตกดับแล้วย่างอื่นอยู่ไม่ได้เป็นอัญญามัญญะเป็นที่อาศัยการประกอบกันอย่างแนบสนิทเลยอันนี้เป็นนามธรรมนะครับจิตนี้เป็นนามธรรมเจตสิกนี้ก็เป็นนามธรรม จิตเจตสิกนะครับจิตกับเเจตสิกนี่เกิดพร้อมกันเลยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าตัวนี้ถือว่ามันเป็นปัจจัยไอ้ตัวนี้ต้องถือว่ามันเป็นผล<ช>เพราะว่าขาดตัวนี้ไม่ได้<ช>ขาดตัวนี้ตัวเดียวอย่างอื่นเกิดไม่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเหตุไอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาได้แสดงว่ามันเป็นผลของไอ้ตัวนี้ด้วยเชริญพใช่ นึกนึกออกไปครับเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งก็แล้วแต่นะเกณฑ์สิ่งตัวใดก็แล้วแต่เม่ว่าผัจสะเวทนาเถี่ยสัญญาเจตนาเอกตาเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยถ้าจับมันมาเป็นเหตุแล้วไอ้ตัวที่มันเกิดทั้งวงกลมใหญ่นี้และวงกลมย่อยนี้ก็เป็นผลของมันเท่านั้นเองเหตุเป็นผลก็ตัวใดเป็นตัวแยกยอมว่อะไรมาเป็นตัวแยกดี คุณเวลาวันเนี่ยเจ้านะมีหน้ามานั่งอยู่ข้างหน้าเลยเจ้ามากอ่าใช่แล้วแต่เราจะพูดถึงตัวใดตัวนั้นแหละคือตัวเด่นเช่นถ้าเราพูดอยู่ๆเนี่ยขึ้นพูดมาเลยเวทนาสแสดงว่าถ้าพูดในลักษณะของสหาชาตาชาตินะเจตสิกที่เหลือเท่ากับพูดด้วยนะเจตสิกที่เหลือที่ประกอบกันเท่ากับพูดด้วยให้รู้กัน หรือถ้าจะพูดรวมเลยว่าไอ้วงกลมใหญ่นี้แหละมันก็เป็นตัวเหตุทําให้ไอ้ตัววงกลมย่อยนี้มีเยอะนะเกิดขึ้นอ น, นี้เรียกว่าจิตเป็นปัจจัยแก่จิตเป็นปัจจัยแก่จเ จ, จตสิก น, นั่นแหละก็เท่านั้นเองครับแล้วจิตเป็นปัจจัยแก่จิตได้ไห ม, อมเอาใหม่นะได้ไหมนนะนแน่ไหมในดุสหชาติชาติได้ไหมไม่ได้ ดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยแก่ดวงที่สองเกิดพร้อมกันเนี่ยจิตเกิดทีละขนาดใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเป็นปัจจัยแก่จิตในขณะเดียวกันไม่ได้นอกจากจิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกหรือเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตหรือเจตสิกเป็นปัจจัยแก่เจตสิกด้วยเป็นปัจจัยแก่จิตด้วยถ้าลักษณะนี้ได้นะตั้งคําถามกลับไปกลับมาลักษณะนี้เพื่อตอกย้าในความรู้ความเข้าใจต่อพวกเราต่อไปนะนามเป็นปัจจัยแก่รูปก็คือ จิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่เป็นปจัปนปจจัยแก่จิตตรชุปเพราะฉะนั้นจิตตัวนี้ต้องเว้นเว้นสิบบวกสีสบคือทวิปัญจาวิญญาณจิตสิทวิปัญจาวิญญาณจิตสิไม่ทำจิตตรชุป นะสก็คืออรูปวิบากสี่ก็ไม่ทําจิตตชรูปหรือถ้าจะเอาแบบละเอียดอีกก็จิตติจิตของพระอรหันต์ก็ไม่ทําจิตตชรูปแต่อย่างนั้นเนี่ยละเอียดไปเอาไว้ก่อนอ่านงะั้นเอาแค่นี้ก่อนสิบสี่ดวงเนี่ยไม่ทําแน่นอนเลยไม่ทําจิตตชรูปแน่นอนทีนี้จิตตชรูปมีอะไรบ้างหนึ่งจิตตชรูปสามัญเช่น หายใจนะเจตสิรูปสามัญหายใจเพราะฉะนั้นจิตเจตสิทธิ์ทําให้เกิดการหายใจเทีกับพิษตา น, นี่สามัญไหมเจตสิรูปเกี่ยวกับาการกระพริบตาที่จริงกระพริบตาเ น, นี่ยมันใช้เพ้่อจนลืมนึกว่าไม่ได้ใช้อ่ะนะ นะเช่นหายใจเข้าออกหนึ่งนะจิตตะชุกสามัญสองจิตตชรู ป, มมรรปเกี่ยวกับการอิริยาบทเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะ้อยๆนะอิริยาบทเล็กน้อยเช่นเช่นอะไรบ้างยกมือเหยียดมือคู่เข้าเหยียดออกแเหลียวก้มเงย เดินหน้าถอยหลังยกขาซ้ายยกขาขวาสลัดมือสะบัดแขนอะไรพวกนี้ทั้งหมดแหละบอกให้ท่านไม่เห็นเขียนตัตวอย่างเลยเลยพูดเยอะแล้วไม่รู้จะเขียนยังไงเอานะเช่นเช่นอะไรดีเล็กน้อยๆเนี่ยเช่นอานะสันหัวกันแล้วกัน จิตนะเป็นปัจจัยให้เกิดการตันหัวเขาว่าไงนะเขาว่าไงรนี้น้องใหม่ครับผม สังเกตอยู่ข้างหลังยังมีน้องมาอยู่หลายท่านครับบางทีว่าน้ํานี่แปลว่าอะไรรูปนี่หมายความเป็นอะไรก็น้องเก่าก็พอจะรู้ครับขอขอเน้นตรงนี้หน่อครับเพ<อ>ิ่มอีกนิดเพราะเชิญผู้การเลยนะว่าน า, นนามนี่คืออะไรกันแน่ผมบอกแล้วมุกเชื่อยังไม่ได้เรียนอร์ ม, มอลเลยคำว่ารูปอรูปถ้าได้เรีนอยู่ในติเช็ดหนึ่งนะก็ตอนเช้าเราเรียนเราเรียนพึ่งๆึ่งพึ้นจิตนะ าานามอาเอารูปก่อนเนาะรูปก็มี28นะรูปคือสภาพที่ไม่รู้อารมณ์หรือว่ามีความแตกดับสลา์ไปเป็นธรรมดาด้วยด้วยวิยโรธที่ปัจจัยนั่นนะแล้วก็จะพูดยังไงนะ่ะมันยา ว, นะ ส, วส่วนนามนั้นนะ่ะนามก็คือจิตยเยวสิกนั่นเองจิตจิตก็คือตัวรู้อารมณ์นะโยม ณนะที่เราเห็นเนี่ยนะเจตสิกก็ก็เป็นนามเหมือนกันก็จิตรู้อารมณ์อะไรเจตสิกก็รู้อารมณ์นั้นด้วยนะมันเป็นสัมปิยตรธรรมคื อ, อเป็นธรรมที่เกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันหรื อ, อร่วมกันนั่นเองนะสัมปยุตรธรรมน ะ, ะจิตรู้อะไรเจตสิกก็รู้อนันนั้นาเรียกว่านามธรรมเป็นสภาพนามธรรมนะคือตัวรู้นั่นเองโยมนะ คือจิตกับเจตสิกเนี่ยมันขาดกันไม่ได้นะคือจิตจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยเจตสิกเจตสิกจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยจิตอ่ะแค่นี้นะอ่าอ่าน้ำกับรูปก็แตกต่างกันอยู่แล้วน้ำกับน้ออมอน้มรูปกับรูปปอรูปมันไม่น่าจะเหมือนกันได้ยังไงอ่ ะ, อะน้ำกับรูปเนี่ย นามคือถ้าพูดถึงภาษาธรรมะนามก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ตอนนี้ถ้าพูดอย่างภาษาตลาดกันนามก็คือการคิดนึกเมื่อการคิดนึกเนี่ยคิดแบบโมโหเปล่าเมื่อคิดแบบโมโหมันโทสะเป็นนามคิดแล้วจําไม่ได้ด้วยไหมคิดแล้วพอใจไ้มขณะที่คิดมันมีอะไรเกิดร่วมด้วยเยอะเลยนะไอ้ตัวนั้นเขาเรียกว่าเจตสิกมันก็เป็นนามเหมือนกันเนตัวเล็กๆเนี่ยเดี่ยวโมกมเล็กๆนี่ไอ้ตัวนี้ตัวคิด คิดแล้วมันเกิดรักเนี่ยมันไม่คิดเฉยมันคิดแล้วมันติดใจด้วยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะมันก็เป็นนามนะเพราะไอ้วงกลมตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวคิดแล้วไอ้วงกลมเล็กตัวเนี้ยมันทําหน้าที่เป็นลักษณะของไอ้ตัวคิดตัวนั้นคิดแล้วจํำมาด้วยคิดแล้วก็มีเจตนาด้วยคิดแล้วก็มีชอบไม่ชอบอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่แหละครับทั้งวงกลมเล็กวงกลมใหญ่เนี่ยเรียกว่านามธรรมนามส่วนในรูปก็ ก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นแหละไอ้ว hey, ความเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรนะั่นไม่แน่เหมือนกันครับ <c oughs> เอาเอาว่ารูปก็คือตัวมันเองไม่รู้อารมณ์มันก็เถอะไม่รู้ไม่รู้เหมือนอย่างน้ำอันก็ได้อันนี้นะอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นข้อข้อสองนะจิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตะชรูปหรือว่านามเป็นปัจจัยแก่รูปนั้นน่ะก็คือสมมุตินะอาตมาเนี่ยคิดก่อนใช่ัหมจึงพูด ความคิดที่เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าจิตหรือเจตสิกเกิดร่วมด้วยกันนี้เรียกว่าเป็นนามแต่ความคิดอ่ะคําพูดที่พูดออกมาเป็นรูปนามตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชื่อนะคําว่านามเนี่ยมาจากบาลีว่าน้อมไปเพื่อที่จะรับรู้อารมณ์ น, นะนามก็คือน้อมไปรู้อารมณ์ธรรมชาติใดที่น้อมไปรู้อารมณ์ธรรมชาตินั้นชื่อว่านามใช่น้อมไปเพื่อจะพูดอ่ะ ไอตัวที่น้อมไปพูดเนี่ยเป็นนามคําพูดเป็นรูปเพราะฉะนั้นจิตต่ชรูปอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการพูดจิตตชรูปเกี่ยวกับการพูดจิตเกิดขึ้นพูดเลยนั่นแหละพูดมากด้วยต่อไปอีกนะหัวเราะจิตตชรูปที่ทําให้เกิดการหัวเราะขึ้นแต่ยังไม่ได้บอกว่าจิตดวงไหนเลยนะ แต่ให้รู้เถอะว่าเพราะจิตนั่นแหละจึงทําให้เกิดเมื่อกี้หัวเราะก็นั่นแหละเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หัวเราะหรือร้องไห้ถ้าร้องไห้เนี่ยนะถ้าจิตไม่เศร้าก็ร้องไม่ออกเหมือนกันมันจะเห็นว่าโอจิตเนี่ยสําคัญมากไอ้จิตตัวนี้แหละคือนามสาคัญมากต่อการร้องไห้นั่นแหละ ทั้งพูดหัวเราะร้องไห้พวกนี้ก็เป็นรูปทั้งหมดเลยเป็นรูปนะเพราะทำไมจึงเป็นรูปอ่ะก็เพราะมันไม่ใช่จิตเจตสิกอ่ะมันจึงเป็นรูปเล็อีกอย่างหนึ่งต่อไปนะทำให้อิริยาบดเขียนไม่ค่อยจะถูกเลยเอรูปชนิดนี้เข้าใจยากสักนิดหนึ่งนะครับ เนี่ยรูปเนี่ยนะฮะดูดแล้วมันคล้ายคล้ายนามอนกันดูยากหน่อยมันชื่อว่าเป็นรูปที่เกิดจากจิตอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนมาเลยเนี่ยนะครับแต่มันเป็นรูปจริงๆนะครับเช่นสมมุติว่าอาร้องไห้เนี่ยเนี่ยร้องไห้ไอ้รูปร้องไห้เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงครับดูดูแล้วไอ้ร้องไห้เนี่ยมันน่าจะเป็นนามธรรมใช่ไหมครับแล้วมันร้องไห้แล้วมันจึงเรียกว่าใช่ ก็ที่เรียกว่าคือเป็นกลุ่มคําพูดที่เรียกรวมๆอ่ะ น, นะไม่ได้กล่าวโดยรูปยี่สิบไม่ได้กล่าวโดยในยะนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นรวมๆของรูปหลายๆรูปเช่นคนร้องไห้เนี่ยนะสีหน้าของคนร้องไห้เนี่ยเรียกสีครับ<อ>ไอเสียงสะอื้นออกมานั้นเป็นเสียงเสียงแต่ผู้รวมรวมว่าร้องไห<อ>้หห<อ>นั่นแหละการกิริยาการทั้งหมดที่เกิดทั้งสะอื้สะอื้นทั้งหลายอย่างเป็น เคยเห็นเด็กร้องไห้ไหมนั่นแหละผม โ, โตก็เคยเนั่นแหละอ่ะร้องไห้อย่างนั้นเนี่ยมีจิตเป็นปัจจัยจิตที่ทําให้เกิดร้องไห้นะจิตอันนั้นเป็นจิตที่เศรา้าโศสนั่นแหละเสียใจไม่พอใจนั่นแหละหแต่ไม่ได้กล่าวโดยยี่แปดแต่ถ้ากล่าวโดยยี่แปดนะโอ้โหเช่นจิตเป็นปัใจจัยให้จิตจะสรุปยังไงพอจิตเกิดปุ๊บสีหน้าออกเลยใช่ไหม ก็ที่โยมทําหน้ากันทั้งหมดนี่เนี่ยเป็นจิตตะชูบหมดละใช่ไหมทั้งจิตตะชูบทนั้นเป็นชนิดไหนอ่ะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของท่านนั่งอย่างเงี้ยทรงตัวอยู่ได้เป็นเรื่องของอิริยาบถผู้ตายที่เงี้ยหัวเราะไปนี่เป็นจิตรูปที่เกิดจากการจิตที่เกิดจากอะไรรูปที่เกิดจากจิตเนาะสลับโถง่อไปพูดเนี่ยที่โยมผู้การพูดเมื่อกี้เนี่ยนะ ก็จะมากำลังพูดเพราะฉะนั้นเจตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่รูปเหล่านี้เรียกว่านามเป็นปัจจัยแก่รูปแต่ที่จริงนามเป็นปัจจัยแก่รูปเนี่ยนะตรงนี้มันยังมีต่อไม่อีกหน่อยกรรมชรูปด้วยเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปด้วย เป็นปัจจัยใ ก, การมาชูปเนี่ยท่านบอกว่าโอกันติคเนนามะโรบังในปฏิสนธิการในขณะยังลงสู่คันเกิดขึ้นครัง้งแรกในท้องของแม่นั่นแหละในท้องของมารดานี่เอาแบบพวกเรานะในขณะนั้นเนี่ยมีรูปเกิดขึ้นอยู่สามกลุ่มด้วยกันสามกลุ่มนั่นหนึง่งหะทายะหัวใจเกิดก่อน ไอ้หัวใจไม่ใช่เป็นก็เทากัปั้นนะไอ้หัตถายะอันนี้มันไม่ได้มีแบบเหมือนกัปั้นอะ่ะแต่มันอีกอย่างหนึ่งเป็นหัตยะเป็นรูปชนิดหนึ่งเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกสองภาวะรูปมีเพศเลยนะถ้าคนมีเพศอะ่ะถ้าเพศหญิงเพศชายจะมีก็มีนั้งกตเกิดเลยนาะแต่ถ้าบางทีมีนะั่นคเรียกว่าพวกอะ่ะคนไร้เพศอะ่ะถ้าคนไม่มีเพศหญิงเพศชายเลยนะ ไม่มีตั้งแต่เกิดเลยจะไม่มีภาวะรูปมาตั้งแต่เกิดแต่พวกกิริยาการนี่อาจจะดูเหมือนหญิงหรือเหมือนชายแต่ภาวะรูปไม่มีภาวะรูปกับนิมิตหญิงชายเนี่ยต่างกันทีนี้ต่อไปอ่างนะคือกายสามรูปสามกลุ่มแรกที่เกิดตั้งแต่เกิดตั้งแต่แรกเกิดเลยนะปลีเรียกว่าปัธมังกะ ล, ะลังหูติเหมือนกัน กิดขึ้นครั้งแรกเป็นเพียงแค่หยาดน้ําใสๆเท่านั้นเองใ ช, ใช้กล้องมั่งสองเนาะถึงจะเห็นเขาบอกว่างนี้นะเหมือนกับเอาผมที่เส้นละเอียดละเอียดจุ่มเข้าไปในน้ำมันงาแล้วสลัดเจ็ดครั้งโอ้ยแค่ไม่สลัดนี่ก็มองไม่เห็นเนี่ยเนา ะ, น, ะ <c oughs> นั่นแหละไอ้สามกลุ่มเนี่ยมันก็ละเอียดขนาดนั้นแหละในสามในละเอียดนั้นยังแบ่งได้สามกลุ่มสามกลาปสามกลาบกลาบก็คือกลุ่มกลุ่มก็คือกลาป 1> 1หนึ่งหทยะสองภาวะสามตายะในขณะนั้นถือว่ามีจิตเป็นปัจจัยถ้าจิตไม่เป็นปัจจัยการเกิดจะมีไม่ได้รรปสามุ่มนี้จะมีไม่ได้ตรงนี้นี่ต้องต้องแยกแบบอาจจะที่ที่เขาศึกษาแบบทางโลกะนะอาจจะยังไม่เข้ากันก็ได้ซึ่งให้เราค้นคว้ากันต่อไป สำคัญมากต่อการเกิดขึ้นครั้งแรกในท้องของของแม่หรือของของมารดาถ้าหากว่าจิตเจตสิกไม่มีรูปสามกลุ่มเหล่านี้ไม่มีนั่นแหละดังั้นรูปจิตเจตสิกเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญมากต่อรูปสามกลุ่มเหล่านี้เรียกว่าสหชาตะชาติถือว่าเกิดพร้อมกันโดยที่มีจิตเจตสิกเป็นปัจจัยให้รูปสามกลุ่มเหล่านี้เกิด เข้าใจนะอย่างนี้คิดว่าเข้าใจก่อนแล้วการอนมามะก็เข้าใจไม่มากเหมือนกันอันนี้ก็อันนี้ก็วัยธรรมดามันก็เมื่อกี้เราพูดจิตกําลังโลภะอยู่นะตอนนี้ถ่ากลับไปจิตตอนเกิดขึ้นครั้งแรกในท้องแม่เรา น, นี่เราผ่านมาแล้วน่าจะรู้ดีเนาะกลับไม่รู้นะเนี่ยจิตดวงแรกเลยเนี่ยในในภพเนี่ยนะครับจิตเนี่ยนะครับจิตเจตสิกเนี่ยนาเนี่ยนะครับ เนี่ยนะครับนามเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยให้เกิดรูปก็มันก็ไอ้จิตตัวหน้าปฏิสนธิจิตนะทำให้เกิดสีอะ่ะก็กายเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรครับดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชะอยู่ในนี้หมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสีเนี่ยมันรู้อารมณ์ไหมมันไม่รู้อารมณ์เป็นสีอ่ะครับนี่คือรูปธรรมจะเห็นไหมยังครับว่าไอจจ้จิตเนี่ยปฏิสนธิจิตเนี่ยมันทําให้เกิดสีเนี่ยมันเกิดรูปอย่างเนี้ยครับ ไอ้รูปจิตเทโธมียยอยเขาใจยากหน่อยถ้าจริงจิตเทโธมันน่าจะง่ายกว่าน ะ, ะก็ที่ ย, ยืนยืนเดินเ น, นั่งนั่งเนี่ยถ้าไม่มีจิตยืนไม่ได้นั่งไม่ได้แล้วแล้วก็พูดคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยโม้าาาย <c oughs> าง <c oughs> ไงครับไหนนะถ้าเทวดาก็เจ็ดเจ็ดกลุ่มเลยเจ็ดกลาปะพร้อมกันหมดเลยอะถ้าเป็นเทวดานะพร้อมกันเลยเจ็ดกลุ่มนะเพราะเทวดาเนี่ยเขาบอกว่าแรกเกิดปั๊บถ้าเป็นผู้หญิงนะสิบหกปีเลยโอ้โหเป็นนางสาวไปเลยเนาะ แต่ถ้าเป็นผู้ชายนะยี่สิปีไปเลยนั่นแหละอันรูปทั้งสามกลุ่มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมกันโดยที่มีจิตเป็นปัจจัยโดยสหาชาตชาติจิตเจตสิกสรุปง่ายๆนะที่เรามาเกิดในโลกนี้ครั้งแรกเกิดเกิดพร้อมกันระหว่างรูปกับจิตอะ่ะนั่นแหละต่อไปนะเอาข้อสามเลยเดี๋ยวยะหมดเวลาก่อนครับนามเป็นปั จ, จัยแกนามรูปยังไงครับนามเป็นปัจัยแกนามรูปนะก็คือรป สข้อหนึ่งข้อสองมาเป็นข้อสามหนึ่งสองสามเอาข้อหนึ่งข้อสองมาแสดงแบบคละกันเขาแสดงแบบนี้ว่านามเป็นปจัจจัยแก่นามด้วยเป็นปจยยัจจัยแก่รูปด้วยทีแรกใช่ไหมจิตเจรสิกเป็นปจยยัจจัยแก่จิตเจรสิกคร<ะ>ับแต่ข้อนี้บอกจิตเจรสิกเป็นปจยยัจจัยแก่จิตเจรสิกและเป็นปจยยัจจัยแก่จิตตชรูปนี่คือลักษณะของข้อสามท่านหนึ่งสองได้สามไม่ยาก เรื่อพวกรณยากไหมข้อสามน่ะยังยังงงอยู่เลยครับคาว่าไปเลยครับเอาใหม่นะจิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกและรูปอ่ารูปสองกลุ่มจิตติฉรู ป, รปและกรรมชรู ก็อย่นี้นครับวนๆอยู่นี่นครับก็ไม่ได้ไปไหนก็สหาชาติชาติชาติอ่ะหมือนว น, นอยู่ในนี้นั่นแหละจิตหรือเจตสิกจิตเจตสิกนึกว่าจิตเจตสิกอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกนี่ก็อยู่นี่อ่ะ ถ้าเอาตัวใดตัวหนึ่งมาเนี่ยอไอที่เหลือเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มันไม่ได้เกิดที่นี่อย่างเดียวมาเกิดอย่างนี้ออกมาด้วยอะแล้วทำไมทต้องมาต่างหากเลยครัเนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วสองอันนี้แก็บางทีคนก็ซื่อไงมันเอ้ยจิตมันเจตสิกมันก็แค่นั้นแหละมันไม่เลยมันนี่หรอกบางทีอาจจะเซื่อขนาดนั้นนันก็เลยแยกให้เห็นแล้วฮะอ๋อครับอก็สุบแล้วก็ก็คือไอสองข้อนี่แหละครับแต่มันเกิดสอ้อกันหมดเลยแสดงแบบรวมไงข้อหนึ่งข้อสองแสดงแบบรวมก็เป็น ข้อสามทีนี้เลยไปข้อสี่เลยถ้าว่ามันยาก่ะนะต่อไปรูปเป็นปัจจัยแก่น้ำรูปเป็นปัจจัยแก่นาำเอางี้นะเอางี้ก่อนเอานี้ปฏิสนธิจิตบวกเจตสิกปฏิสนธิจิตบวกเจตสิกเนี่ยนะอเอาแบบมนุษย์ดีกว่านะรูปสามกลุ่ม หะทยะหะทยะนี่นะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากต่อปฏิสนธิจิตแบบนี้เรียกว่ารูปเป็นปัจจัยแก่นามโดยสหาชาติชาติเนี่ยแบบนี้แค่นี้แหละคำอธิบายจริงๆในคำพีทั้นว่าแค่นี้แหละเพราไอ้ตัวนี้ต้องไปเกิดบนนี้อันนี้ต้องมาเกิดบนอันนี้อันนี้จึงถือว่าเป็นปัจจัยแก่อันนี้แต่ตัวนี้มาเกิดบนนี้แล้วก็มาเกิดพร้อมกันด้วยนี่ตลกเลยเกิดพร้อมกัน ตัวนี้มาเกิด ต, ตัวนี้ได้ตัวนี้ก็เกิดพราะไอ้นี้คพราะยากง่ายคิดเอาทั้งนั้นเลยคิดว่ายากก็ายากคิดว่าง่ายก็ง่ายคิดเอาอะ่ะครับเอาครับรูปเกิดเนี่ยครับอันนี้ได้เลยนะข้อข้อสี่ได้แล้วอันนี้รูปเป็นปใจใัจจัยเกิดนามถ้าเขียนเขียนแบบฟองก็คือหะทยรถะยะรูปวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิจจตเจตสิกครับข้อสุดท้ายนะ ข้อห้าก็คือเช่นมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปนี้หมูมากเลยสบายมากอันนี้ใครไม่เข้าใจครับมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปอ่าลักษณะนี้แหละเป็นอเป็นรูปให้เกิดรูปรูปเป็นปัจจัยให้เกิดรูปอังกฤษนะธาตุดิน เอาเอาแบบเอาแบบฟอร์มใหม่ธาตุดิน<ม>น้ําไฟไฟลมลมธาตุดินเป็นปัจจัยให้เกิดธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเนียนหมวดข้อหนึ่งข้อสองธาตุน้ําเป็นปัจจัยให้เกิดธาตุลมธาตุไฟธาตุดินข้อสาม ธาตุลมเป็นปัจจัยให้เกิดธาตุไปธาตุดินธาตุน้ําครับมนี้ครับและมันเป็นปัจจัยแก่กันอย่างนี้นะแล้วในไฟเนี่ยมันมีในนี่มีสีอยู่ด้วยสีในทั้งหมดเนี่ยมีกลิ่นอยู่ด้วยรส<ด>ในนี้มีรสอยู่ด้วยในนี้มีโพธาภะก็ดินน้ําไฟลมอยู่แนละ้แล้วก็มีโอช า, อ, ชาอยู่ด้วยอ่ะนี่นี่เอาเป็นอวินิโพคธรูปทั่วไป อาจจะเป็นในลักษณะนี้การเป็นปัจจัยแบบนี้เนี่ยทั้งๆที่เกิดพร้อมกันแต่มหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปอุปาทายรูปไม่เป็นปัจจัยโดยประการใดแก่มหาภูตรูปถือว่าเป็นรูปอาศัยเท่านั้นเองอาศัยเขาอาศัยมหาภูตรูปแต่ก็แยกจากมหาภูตรูปไม่ได้มหาภูตรูปแยกสีออกไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในลักษณะข้อห้าก็คือรูปเป็นปัจจัยแก่รูปอย่างที่ว่าไปแล้ว นี้เป็นลักษณะของสหชาติชาติเป็นลักษณะนี้นะทีนี้ทดทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าโดยวัตถุวิญญาณอารมณ์โทบทวนเพื่อความเข้าใจเรื่องสหชาติชาติอีกครั้งหนึ่งผมให้เวลานาทีเดียวนะครับเพราะว่ารู้สึกกระดุกรดกระดิกรดกระดุกะดิกนั่งแนละ้วเสองชั่วโมงแล้วครับใช่ไหมเมื่อกี้เป็นนาม เันวัตถุนี่เราจะเขียนให้เต็มจริงๆต้องเขียนสมุทฐานสี่คือหนึ่งกรรมสองจิตสามอุตุสี 4, ่อาหารเพราะฉะนั้นการที่ในนี้่ยเป็นปัจจัยแก่กันเองอยู่ในเนี่ยนะในดวงเดียวกันเนี่ยนะและจิตดวงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยแก่อันนี้เนี่ยอันนี้นี่นี่นรูปนี้เป็นจิต ลักษณะนี้เท่านั้นแหละเป็นเรื่องของสหาชาติชาติชาติมีเท่านี้เองอ้าหนึ่งนาทีแล้วงานหนักเลยครับถ้าบอกว่าพูดปัจจัยนะการเรียนปัจจัยนั้นเป็นการเรียนธรรมะที่เอาธรรมะหลายๆเรื่อง มาสัมพันธ์กันโดยแง่ ม, มุมต่างๆนั่นแหละเขาเรียกว่าเรียนเรื่องปัจจัยถ้าหากว่าเรียนธรรมะส่วนใหญ่จะเรียนเป็นข้อๆแต่เรียนปัจจัยนั้นเรียนแบบรวมๆนั่นแหละตรงนี้ก็ได้ขึ้นถึงที่จริงแล้วก่อนที่จะมีธรรมะหมวดนี้ต้องมอีแสดงถึงปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้อ บ, บรมผู้ไม่ฉลาดผู้ไม่เห็นพระอริย ไม่เห็นภระริยะคือไม่ได้เห็นด้วยปัญญานะไม่ได้หมายถึงจกักขูวิญญาณเพราะว่าในคำพีท่านบอกว่าสุนักบ้านสุนักจริงจอ ก, ก็เห็นแต่อัยเห็นอย่างนั้นไม่ประสงค์เอาในที่นี้คําว่าเห็นก็คือเห็นอริยธรรมไม่ครบศัตว์บรุษไม่ฉลาดในธรรมะของศักว์บรุษไม่มีวินัยของศัตว์บรุษธิ์ปุถุชนเหล่านั้นเนี่ยก็ย่อมเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเห็นว่าอัตตามีในรูปรูปนี้อยู่ในอัตตา ปุถุชนจะเป็นลักษณะนั้นผู้ไม่ไม่ฉลาดในอริยธรรมหรือว่าไม่มีวินัยห้าอย่างนี้คือไม่มีสังวรวินยัยไม่มีปหาณวินยัยที่จริงแล้ววินัยใหญ่ๆนี่มีอยู่สองข้อด้วยกันวินยัยสองหนึ่งสังวรวินยัยสองปหาณวินยัย สังวรวินัยมีอยู่ห้าอย่างปหาณวินัยมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันอนไหผู้ไม่ฉลาดในวินัยของพระอริยเจ้าผู้ไม่ฉลาดในวินัยสองอย่างนี้นะผู้ที่ไม่ฉลาดในสังวรวินัยกับปหาณวินยัยเมื่อไม่ฉลาดในวินัยสองอย่างนี้ย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนตนกับรูปไม่ต่างกันไงหนึ่งนะ สองตนเนี่ยอยู่ในรูปหรือว่ารูปเนี่ยอยู่ในตนหรือว่าตนเนี่ยมีรูปลักษณะนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอัตตาเป็นเรื่องของทิฏฐิทีนี้ส่วนใหญ่นี่บางท่านอมาิบายว่าเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชายเป็นหญิงเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเป็นอัตตาหมดเลยเป็นสกายาทิฏฐิหมดเลยที่จริงแล้วไม่ใช่ สกายธิฐินั้นหรืออัตวาทุปาทานคือสกายทิฐิยี่สิบยกตัวอย่างหนึน่ ง, งเห็นรูปโดยความเป็นตนตนกับรูปไม่ต่างกันเลยสองตนเนี่ยมีรูปเหมือนกับต้นไม้มีเงาอะตนเนี่ยมีรูปหรือว่ารูปเนี่ยมันอยู่ในตนหรือว่าตนเนี่ยอยู่ในรูปเออถ้าลักษณะเนี้ยเรียกเป็น สกายะทิธิหรือเรียกว่าอั ต, ตาวาทุปาทานหรืออัตตาถ้าไม่เห็นลักษณะนี้ไม่เกี่ยวกับอัตตาไม่เกี่ยวกับทิฐิสิ่งอื่นแต่มันเกี่ยวกับวิปลาสข้ออื่นไปเช่นสัญญาวิปลาสจับจิตตาวิปลาสไปแต่ไม่ได้เป็นสกายะทิธิที่เรียกว่าอัตตาวิปลาสคือวิปลาสนี่มีอยู่3อย่าง 1. สัญญาวิปลาสความสําคัญหมายสัญญาปแปล ว, ว่าความสําคัญหมายสอง จิตตาวิปลาสจิตแปล ว, ว่าความคิดความคิดหมายสามเฐติความเห็นเห็นว่าอะไรสำคัญคิดเห็นในเรื่องอะไรเห็นในสิ่งที่ไม่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาเห็นในสิ่งที่ไม่งามว่า ง, งาม เปนิยตตรงนี้นั้นน่ะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอัตานั้นจะเป็นไปในเรื่องของทิฐิยกทิฐิเป็นประธานย่อมเห็นโดยความเป็นตนนะตัวเราแท้ๆคือหนังเอางี้นะหนังกับเรามันอันเดียวกันถ้าลักษณะนี้เป็นทิฐิอย่างหนึ่งนะที่จริงหนังเกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมผิวหนังเนี่ยเกิดด้วยปัจจัยแต่ผู้ไม่ได้สดับไม่ฉลาดในอริยธรรมเนี่ย จะสำคัญว่าไอ้หนังกับเรานี่มันอันเดียวกันเลยมันแยกกันไม่ออกเลยอ่ะนั่นเขาสำคัญว่าเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าไฟกับเปลเวเนี่ยไม่ต่างกันอันเดียวกันฉันใดเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยคือเราเราเนี่ยคือสิ่งนี้แยกกันไม่ออกเลยนั่นแหละนี่เขาเรียกว่าเห็นรูปเป็นตนเห็นตนมีในรูปหรือว่าเห็นรูปมีในตนก็คือสาคัญ นามขันธ์สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยเป็นเราจิตอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดจิตก็อันนั้นรู้สึกอันใดก็เป็นเราเรารู้สึกรู้สึกเป็นเราเราเป็นตัวรู้สึกสัญญาเป็นเราเราเป็นตัวสัญญาหรือว่าจิตความคิดเป็นเราเราก็คือความคิดนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยเห็นโดยความเป็นอัตตาแล้วบอกว่าไออัตตาอันนี้มีรูปใจนี่เป็นเราเพราะฉะนั้นเนี่ย พวกผิวหนังพวกผมขนเล็บจึงเป็นของเราอ่าอย่างนี้เป็นเรื่องของสกายาทิฐิถ้าความเห็นที่ไม่เกี่ยวกับอย่างนี้เลยนะความคิดนึกที่ไม่เกี่ยวกับอย่างนี้ไม่เรียกว่าสกายาทิฐิไม่เกี่ยวกับเรื่องทิฐิเลยเช่นเห <c oughs> ็นไปนไม้ไผ่ไม้ไผ่เราไม่ได้เข้าใจว่าไม้ไผ่เป็นอตัตราอะไรเพราะฉะนั้นพอเห็นไม้ไผ่จึงไม่ได้เกี่ยวกับอตัตราแต่ถ้าอัตราตัวนี้ มีไม้ไผ่ถ้ายัางนี้เป็นสกายยทิฐิอัตตาเนี่ยมีไม้ไผ่ไม้ไผ่อันนี้ในฐานะเป็นบริขารของอัตตาเัราะปูตุชนที่ทำไมเขาจึงคิดแบบที่ว่าไปเมื่อกี้เพราะเขาไม่มีสังวรเพราะเขาไม่มีวินยัยวินัยเป็นเครื่องกําจัดกําจัดบาปกําจัดอกุศลเขาไม่มีวินยัยทั้งสองอย่างคือสังวรวินยัยกับปานวินยัย สังวรวินัยมีอยู่ห้าประการด้วยกันสังวรเ น, นี่ยนะโดยคำเราว่าปิดหรือระวังหรือรักษ า, าไม่มีอยู่หไม่มีสังวรห้าอย่าง 1. ศสีละสังวรสองนะสติสังวร3าญาณสังวร 4. ขันติสังวรห้า วิริยะสังวรพองเห็นไหม้างหลังเห็นนะโอ้ตาดีมากเลยเพราะไม่มีสังวรห้าอย่างนี้นี่แหละเขาจึงเห็นรูปโดยความเป็นตนเขาจึงเห็นว่าตนนี่มีรูปเห็นรูปมีตนอะนะเพราะเขาไม่มีห้าตัวเนี่นี่เรียกว่าปุตุชนมะอ่าอปุตุชนมีสองอย่างอันทะปุตตุชนกับ อันท่าเนี่ยแปลว่าบอดปู่ฑูปแปล ว, ว่าหนาชนก็คือผู้ยังเกาะวิบากและกะรรมชลุกต่อไปอีกชนผู้หนาด้วยกิเลสแล้วก็ยังก่อพบก่อชาติต่อไปไม่สิ้นสุดเพราะนั้นเขาเรียกว่าปูุ่ชนอันท่าเนี่ยแปลว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาอาริยธรรมไม่เห็นอริยธรรมไม่ได้ฝึกหัดดัดอบรมในอริยธรรมแั่ปูุ่ชนผู้ศึกษาในเรื่องขันธ์ธาตอายตนะ สมถาวิปัสนาเป็นต้นซึ่งเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เรียกว่าการยาณปุปุชนรู้จักไหมใครรู้จักไหมพวกเรานะั่ยหมดนั่นแหละอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการยาณปุปุชนฮ ะ, ะยกให้ผูการไปหมดเดี๋ยวเอาไปหมดเลยแย่เลยนะพอแกลไปอดเลยพวกเราอะ่ะพอภูการออกไปคนเดียวเรามึดเลยงี้ไม่ยอ ม, อ, ม อ, อ, อันเนาะยึ ด, ด็ปเลยอะ่ะการมุปาทาน <laughs> นะผู้ไม่มีสังวรและไม่มี ป, ะ ห, นะปะหานะปะหานะแปลว่าละแปลว่าละปะหาน่ะนักโทษปะหานาตัดคอกิเลส ป, ปะหานไอปะหานเนี่ยนี่ปะหานกิเลส ป, ปะหานมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันหนึ่งตะทางฆ่าปะหานตะทางฆ่านะเขียนตรงไหนดิ ตะทังคะป ahan สองวิขมพนะประห n สามสมุเดเฉดสมุเดเฉธานะสมุดเฉดประห n อ่า 4. อะไรปฏิ ป, ปสัททิ ปฏิปัสสธิปะหานะแล้วก็สุดท้ายนิสรณะนิสรณะปะหานะตะทางค่าปะหานเท่ากับเท่ากับแบ่งออกเป็นหลายระดับตะทางค่าปะหานตรงนี้นี่หมายถึงวิปัสนาแต่ที่จริงแล้ว ตรงนี้เนี่ยตาทางฆ่าปหารทำไมจึงไม่เอาพวกศีลเป็นต้นมาเพราะศีลพวกนี้อยู่ในสังวร อ, อยู่แล้วศีล น, นี่อยู่ในสังวร อ, อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นที่อื่นทั่วไปที่ไม่ได้แสดงธรรมะสองอย่างนี้นะคำว่าปหารนะตาทางฆ่าปหารรวมถึงทานศีลด้วยะตาทางฆ่าข้อนี้เนี่ยถ้าไม่มีแบ่งกลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยกินความไปถึงทานศีลด้วยฉะนั้นตาทางฆ่าทหาร อังคาน <unc> ี่แปลว่าองค์ตังแปลว่านั้นละด้วยองค์นั้นๆประหารด้วยองนั้นนั้นองนั้นนั้นคืออะไรละสกายะทิฐิด้วยการกําหนดนามรูปใช่ไหมเมื่อกําหนดโดยความเป็นรูปเห็นว่าเป็นรูปมีอัตตาไหมขนาดนั้นถ้าเห็นเป็นรูปก็ไม่ใช่อัตตาใช่ไหมถ้าเห็นเป็นเวทนาก็ไม่ใช่อัตตาเห็นเป็นสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ อัตาเพราะฉะนั้นเนี่ยละสกายะทิฏฐิด้วยการกำหนดนามรูปละทิฐิที่มีเหตุเสมอและไม่เสมอด้วยการกำหนดปัจจัยนะละความเข้าใจผิดในยะอื่นๆด้วยการรู้ปัจจัยของสิ่งนั้นๆเลยเช่นอะไรดีโทษะมีอะไรเป็นปัจจัยท่านอะาคาตววัตถุสิบเป็นปัจจัยโดยความเป็น อุปนิสัยปัจจัยก็ได้อา ร, รมณะปัจจัยก็ได้คนโน้นเคยด่าเราใช่หคนโน้นกำลังด่าเราคนโน้นมันจะด่าเราลักษณะนี่นะเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจในเรื่องปัจจัยของโทสะก็จะไม่สำคัญผิดในเรื่องของโทสะหรือผู้ที่เข้าใจในเรื่องของปฏิสนธิจิตมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอะไรเป็นเหตุใกล้ ปฏิสนธิจิตก็วิญญาณอยู่แล้วปฏิสนธิจิตมีอะไรเป็นเหตุใกล้พบเป็นเหตุใกล้กรรมมพบเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปฏิสนธิจิตอุปปติพบมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีกรรมมพบเป็นเหตุใกล้อุปปัติพคือวิบากและกรรมโาชลมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็คือมีกรรมเป็นเหตุใกล้พบตัวพบรวมๆมีอุปาทานเป็นเหตุใกล้ ถ้าหากว่าเราเข้าใจในเรื่องของเหตุใกล้ของเหตุปัจจัยเหล่านั้นจะละคลายความสำคัญผิดอย่างอื่นที่ว่านี่ผู้นี้ในอดีตเราเคยมีหรือหนอในอนาคตจกมีไหมถ้ายังมีกรรมอยู่อย่างนี้เนี่ยทำอนาคตมีอีกไหมมีพอปัจจัยพร้อมอนาคตมีในอดีตมีอีกไหมถ้ามีวิบากและกรรมชรูปมีเหตุก็ต้องมีผลผู้ที่มีความเข้าใจอย่างนี้ก็จะละ ทิฏฐิที่มีเหตุเสมอและไม่เสมอก็คือพวกมิจฉาทิฏฐิหรือว่าคำสอนอื่นๆที่นอกจากคำสอนของพระผู้มีพระภาคทีนี้ถ้าหากว่าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอ่าหรือเห็นโดยความเป็นกลุ่มก้อนก็จะแยกพวกคณะสัญญาหรือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละนิจจะสัญญาได้ถ้าเห็นความเกิดละอุเฉททธิถิได้ถ้าเห็นความดับความเสื่อมละ สัตตะที่ถีได้ก็จะเป็นพวกนั้นแหละเป็นเรื่องของแต่ทางฆ่าปะหารถ้าเห็นโดยความเป็นภัยก็จะละความสําคัญว่าไม่ใช่ภัยได้ถ้าเห็นมันน่ากลัวจะละความสําคัญว่าไม่น่ากลัวไปได้ถ้าเห็นเป็นโทษจะละความสําคัญว่าไม่มีโทษไปได้ถ้าเบื่อหน่ายก็จะละความเพลิดเพลินได้ใช่ไหมก็จะละไปเรื่อยๆจนถึงโคตพูนุแหละเรียกว่าตะทางฆ่าปะหาร สวิคขำพนะประหารวิคขำพนะประหารนี่ก็คือเหมือนกับใครเคยเห็นแอ่น้ําที่มันมีจอกมีแหนเยอะๆไหมเคยเห็นไหมใครไม่เคยเห็นยกมือขึ้นโอ้โหแฟนเคยเห็นหมดเลยทีนี้มีคนอยู่คนหนึ่งเขาไปตักน้ําทีนี้พอเขาไปถึง น, นะเขาก็เอามองเขาไปทุ่มลงไปก่อนพวกจอกพวกแหนพวกละลายมันก็จะแวกออกใช่ไหมแล้วก็ตักเอามานะ ปกติแล้วกิเลสนี่มันมันคลุมในจิตเหมือนกระจอกเหมือนกับแหนนั่นแหละทีนี้พอไอชานเป็นต้นสมถะเป็นต้นเนี่ยเหมือนกับหม้อที่ทุ่มลงไปเพื่อจะไปตักน้ําำกิเลสมันก็แหวกออกไปพอยกขึ้นมาอีกอ่ะมันก็รวมตัวกันอีกกิเลสจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ละกิเลสได้เป็นแต่ทางคาก็ละเฉพาะขณะที่เข้าชานออกมาจากชานมีมานะเหมือนเดิมออกมาจากชานก็มีโลภะโทสะโมหะเหมือนเดิม แต่ขณะที่เข้าฌานไม่โง่ก็เป็นกุศลจิตเป็นฌานจิตไปแต่พอออกมาจากฌานทั้งคนที่ได้ฌานเนี่ยจึงมีมานะเหมือนกันยังมีมาณะยังมีโลภะยังมีทิฐิเลยเพอออกมาจากฌานยังมีทิฏฐิเลยใช่ไหมเราเนี่ยไม่เที่ยงแต่ผู้สร้างเราเนี่ยท่านเที่ยงออันนี้ก็มีเป็นทิฐิอย่างหนึง่งในในพมชาลสูตรหรือว่าเราเนี่ยเกิดขึ้นมาลอยๆบางคนเนี่ยมาได้ฌานปุ๊บระ ล, ะลึกชาติได้ ไปจนถึงว่า อ, อดีตชาตินี่เป็นอสัญยาสต์ ต, ตาพรหลังจากนั้นมันไม่มีจิตใช่ไหมก็ระลึกไปได้แค่อสัญญาสักไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีอู้เรานี่เกิดขึ้นลอยๆเพราะสัตว์เนี่ยเกิดขึ้นลอยๆเพราะฉะนั้นหลังจากที่เข้าฌานออกจากฌานจึงมีความเห็นผิดได้ไม่ใช่กดทับเอาไว้โดยที่มันไม่เกิดเลยนะไม่ใช่กิเลสไม่เกิดแต่พอออกมาจากฌานแล้วกิเลสเกิดเหมือนเดิมแต่กิเลสแบบจะเบาบางกว่ากว่าธรรมดา ในบางเรื่องแต่ก้นหนาแน่นกว่าคนธรรมดาในบางเรื่องอยู่เหมือนกันนั้นได้ฌานถ้าหากว่าไม่ได้เข้าใจศึกษาคําสอนให้ละเอียดนะบางคนยังเข้าใจว่าปฐมฌานนี่แหละคือนิพพานเข้าใจทุติยฌานตัตยฌานนี่แหละว่าเป็นนิพพานแต่ในฐานะตรงนี้เนี่ยท่านเอาบุคคลผู้มีความเข้าใจถูกต้องในคําสอนได้ฌาขนขณะที่ท่านเข้าฌานก็ถือว่าเป็นการข่มกิเลสแบบแต่ทางคะเหมือนกับ ตักน้ําในที่มีจอกมีแหนเยอะๆเหมือนเอาหม้อทุมลงไปอห็ะนไหมพวกเจาะพวกแหน้มก็แหวกออกไปเท่านั้นเองแต่ทางข้าบางอย่างก็เป็นสมถะเช่นพานแต่ว่าตรงนี้ถ้าแสดงแบบนี้เนี่ยท่านเอาเฉพาะวิปัสนายอย่างเดียวอ่าเฉพาะตรงนี้นะถ้าจะเป็นที่อื่นก็ก็กว้างทีนี้ต่อไปนะทั้งสมถะทั้งวิปัสนาเนี่ยนะทั้งตะทางข้าประหารกับวิขำพนะประหาร เป็นของคู่กันผู้ที่อบรมในคําสอนของพระผู้มีพระภาคพระ อ, องค์สอนทั้งสองอย่างเลยทั้งตทางค่าเละวิขัมพนะคนที่อบรมทั้งสองอย่างเหล่านี้นะบางคนเนี่ยมีต่ทางค่านาหน้าวิขัมพนะตามหลังบางคนมีวิขัมพะนะนําหน้ามีต่ทางค่าตามหลังอย่างนี้ก็มีมีทั้งคู่แต่พระองค์ใช้อีกคําหนึ่งเรียกว่ามีสมถาทัตหน้าวิปัสนาตามหรือว่าเจริญวิปัสนามี สมถานำหน้าหรือเจริญสมถามีวิปัสสนานำหน้าอย่างนี้ก็มีเมื่อเจริญอ บ, บรมให้พ่อพูนมากๆขึ้นประตูนะประตูประตู ป, ตปะนิสยาชาตฟังไว้ก่อนประตูปานิสยาชาตอ บ, บรมบ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอบ่มขึ้นมากๆก็จะเกิดสมุดเฉททาหารสมุดเฉทแปลว่าขาดขาดสะบั้นเลย ขาดเด็ดขาดเลยเช่นถ้าโสดาบันเนี่ยท่านละทิฐิโดยเด็ดขาดเลยแต่ที่จริงแล้วคนที่เจริญนนี่ปั ส, สนาก็ละทิฏฐินะแต่ละยังไม่ขาดชั่วคราวละแบบแต่ทางขะหรือวิขำพันะคือก็ละแบบตามสมควรอย่างอย่างพวกเราเนี่ยมาศึกษาคําสอนเนี่ยขณะที่เข้าใจคําสอนปัญญาเกิดละนะชั่วคราวขณะที่สมาทานศีลนั่ก็ละแต่ละชั่วคราวละขณะที่กุศลเกิด อกุศลเกิดก็ ค, คืนคืนสู่ภาวะปกติจนพรนนนละแบบนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าในมหากุศลที่ที่มันเกิดในชั้นวิปัสนาเนี่ยมันเริ่มละแบบละไปเยอะเลยละไปค่อนข้างมากจนไอ้ตะทางค่ากับวิขำพนะมันเป็นอุปนิสัยให้เกิดสมุเทเฉดเนี่ยเป็นระดับโสดาปฏิมักก็ละกิเลส ต, ตามสมควรแก่โสดาปฏิมัก เป็นสากอาภาคามีมัคก็ละกิเลสตามสมควรแก่สากอ า, าคามีมัคเป็นอนาคามีก็ละกิเลสแบบสมควรแก่พระานาคาเมนาคามีละสังโยชน์เบื้องต่าท่าถ้าเป็นพธาตุหันก็จะละสังโยชน์เบื้องสูงอีกท่าก็เป็นธาตุหันอะมัคต่างๆเหล่านี้เรียกว่าสมุทเฉทประหารเป็นการประหารกิเลสส่วนปฏิปสัตธิประหารเนี่ยเป็นการระงับสงบประงับแล้วพอขาดปั๊บก็ระงับ ก็คือผ ล, ลจิตปฏิปัสสต์ที่เป็นผ ล, ลจิตนิพพานนี่เป็นนิสสระประหารเป็นการสลักออกจากกิเลสด้วยสลักออกจากภพชาติด้วย